จะเจทนังอังกวรสะเหตุอังกังจะเชชีวิตังรักขมาโนอังกังทนังชีวิตัญจาปิสับบังจะเจนะโรธรรมมนุสสรันโตติบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนา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 อันจะทำให้เสียซึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการฟังซึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระศาสดาวันนี้ก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของมีค่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันบางคนฟังที่อาตมาพูดไปเมื่อสักครู่อาจจะคิดไปว่าอาตมาจะเตือนญาติโยมให้ระวังเรื่องการขโมยขจรในวัดหรืออย่าพึ่งคิดไปไกลขนาดนั้น วันนี้ตั้งใจเพียงแค่จะทำความเข้าใจหรือจะว่าปรับความเห็นของสาธุชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของมีค่าให้เป็นไปตามความเป็นจริงเท่านั้นพูดไปอย่างนี้หลายท่านก็จะสงสัยแล้วว่าที่เราเห็นเราเข้าใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องอะไรมีค่าอะไรไม่มีค่านั้นมันยังไม่ตรงกับความเป็นจริงหรืออาตมาก็ขอให้ทุกท่านได้วางความคิดความสงสัยเอาไว้ก่อน ทำใจทำอารมณ์ในใจให้ผ่อนคลายสบายๆแล้วค่อยๆฟังและค่อยๆไ ค, ค, ค, คร่ครวนตามอัตมาไปทีละน้อยละน้อยก่อนอื่นก็ขอทำความเข้าใจกับคำว่ามีค่าหรือคำว่าค่าให้ตรงกันซิก่อนคำว่าค่าโดยมากเราก็มักจะนึกถึงสิ่งของหรือไม่บางคนก็อาจจะนึกถึงเงิน เพราะโดยมากเรามักจะใช้คู่กับคำว่าของมีค่าซึ่งก็หมายถึงสิ่งของส่วนคำว่าของมีค่าโดยมากก็จะพูดต่อด้วยคำว่ามีราคานี่ก็ทำให้เรานึกถึงคำว่าค่าในลักษณะของการตีค่าเป็นเงินแต่ในบางครั้งของมีค่าสำหรับบางคนแล้วก็ไม่ใช่ของมีราคาเสมอไปก็ได้อย่างเช่น รูปถ่ายของลูกที่เสียชีวิตไปเป็นต้นนอกจากคำว่าค่าจะใช้กับสิ่งของแล้วก็ยังใช้กับสิ่งมีชีวิตอีกด้วยตัวอย่างเช่นค่าของคนอีกทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ก็มีค่าได้เช่นกันอย่างเช่นเวลาความทรงจาเป็นต้น ศัพท์อีกอันหนึ่งที่เราจะเห็นใช้คู่กับคำว่าค่าอยู่ประจำประจาคือคาว่าคุณเช่นคาว่าคุณค่าซึ่งบางครั้งเราก็จะใช้คู่กับคำอื่นเพื่อเ น, น้นความหมายให้ชัดขึ้นดังวลีที่ว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์เป็นตน้นพูดมาถึงตอนนี้บางท่านอาจจะเริ่มงงและเริ่มสงสัยว่าอาตมากำลังพูดอะไร รู้สึกเข้าใจยากที่พูดมานี้ก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้เราใช้คำว่าค่าไปในความหมายของคำว่าราคาเป็นส่วนมากแท้จริงแล้วคำว่าค่ากับคำว่าราคาก็มีความหมายที่ไม่เหมือนกันแต่บางส่วนคาบเกี่ยวกันแล้วความหมายที่แท้จริงของคำว่าค่าเป็นยังไงมีวลีอยู่บทหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงความหมายจริงๆของคาว่าค่าได้อย่างดี ก็คือวลีที่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานซึ่งถ้าผลงานที่ออกมานั้นไม่สำเร็จหรือสำเร็จแต่ไม่ตามที่คาดไว้บุคคลนั้นก็ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยต่อองค์กรแต่ถ้าผลงานที่ทำนั้นเสร็จได้อย่างดีสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากบุคคลนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีค่าขององค์กรพูดมาถึงตอนนี้ ทุกท่านอาจจะพอเดาได้แล้วถึงความหมายของคำว่าค่าจากที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ซึ่งความหมายจริงๆของคำว่าค่าก็ตรงกับคำว่าประโยชน์หรือจะพูดให้ชัดขึ้นอีกหน่อยก็ได้ว่าการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นนั่นเองที่นี้ก็จะขออธิบายคำว่าค่าที่เรามักใช้เกี่ยวกับราคาสักหน่อยเมื่อค่ามีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีศักยภาพที่จะทาให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ เมื่อคนเห็นว่าสิ่งนี้สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ขึ้นได้ความต้องการในสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นฉะนั้นราคาจึงเป็นแค่ตัวบ่งบอกความต้องการในสิ่งนั้ น, น, นเท่านั้นตัวอย่างเช่นน้ำดื่มหนึ่งขวดน้ำดื่มขวดนี้จะมีค่าก็ต่อเมื่อเรากระหายน้ำหรือเราต้องการนำน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ถ้าเราไม่กระหายน้า หรือไม่ต้องการน้ำเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆแล้วน้ำขวดนั้นก็กลายเป็นของไม่มีค่าสำหรับเราทันทีในกรณีที่เรากระหายน้ำมากๆแล้วหาน้ำไม่ได้เลยเมื่อมีคนมาเสนอขายน้ำดื่มหนึ่งขวดกับเราในราคาส0งบาทเราจะยอมจ่าย200บาทก็แต่เมื่อเรามีความต้องการน้ำขวดนั้นมากกว่าเงิน200บาทแต่ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เราซื้อน้าดื่มได้สะดวก ในราคาขวดละ10บาทถึงเราจะต้องการน้ามากขนาดไหนแต่เราก็จะยอมจ่ายเพียงแค่10บาทไม่ใช่200บาทฉะนั้นความเป็นจริงแล้วค่าหรือประโยชน์ของน้านั้นไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ราคาที่เปลี่ยนไปนั้นก็เปลี่ยนไปตามความต้องการของคนเท่านั้นแล้วทำไมเราถึงเห็นว่าเงินเป็นของมีค่าสำหรับเราก็จะขออธิบายว่า ค่าหรือประโยชน์ของเงินก็คือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับเพื่อใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของกันซึ่งของนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างคุณหรือประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราได้อธิบายเกี่ยวกับค่ามายืดยาวก็จะขอสรุปเกี่ยวกับที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าคำว่าค่านั้นมีได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและมีแม้ในสิ่งที่เป็นธรรมธรรม ดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้คือเวลาความทรงจำเป็นต้นคำว่าค่าเมื่อไปมีอยู่ในสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะมีคุณสมบัติคือยังคุณหรือประโยชน์เกิดขึ้นได้และเมื่อเราได้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งมีค่านั้นแล้วสิ่งมีค่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นทรัพย์ของเราแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องทรัพย์ต่อไปก็ขอนอกเรื่องไปพูดถึงเรื่องคนสักหน่อยก่อน คนนั้นประกอบไปด้วยสองส่วนคือกายกับใจคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของภพชาติมีชาติก่อนชาติปัจจุบันและชาติหน้าคนเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่จิตก็ถือครองร่างกายไว้ต่อแต่เมื่อมรณะคือความตายมาถึงจิตก็สละร่างกายนี้และเป็นไปตามอานาจของกรรมที่จะนาพาไป ถ้ากรรมชั่วหรือบาปส่งผลใจหรือจิตก็จะไปสวยพบชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตหรืออสุรกายพบใดพบหนึ่งซึ่งทั้งสี่พบที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นทุ ก, กติคือเมื่อไปเกิดในพบเหล่านี้แล้วจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขแต่ถ้ากรรมดีหรือบุญให้ผลบุญก็จะนำให้จิตไปสู่พบของมนุษย์สวรรค์หรือพรหมโลก พใดพบหนึ่งซึ่งทั้งสามพบที่กล่าวมานี้เป็นสุคติพบคือเมื่อไปเกิดในพบเหล่านี้แล้วจะมีสุขมากมีทุกข์น้อยฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจิตเท่านั้นที่คงอยู่ไม่ได้สูญสลายหายไปไหนเมื่อเกิดอยู่ภูมิสัตว์เดรัจฉานถืออัตภาพเป็นสุนัขเราก็ได้ชื่อว่าเป็นสุนัขเมื่อเกิดอยู่ในภูมิมนุษย์ถืออัตภาพเป็นมนุษย์เราก็ได้ชื่อว่าเป็นคน ที่ได้อธิบายมานี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเราซึ่งหลักใหญ่ของความเป็นเราก็คือจิตหรือใจนั่นเองร่างกายเป็นเพียงแค่เครื่องมือของใจเท่านั้นเมื่อใจใช้ร่างกายทำสิ่งต่างๆร่างกายจึงถือว่าเป็นสิ่งของมีค่าของใจและการที่ใจเข้าถือครองร่างกายไว้ร่างกายจึงขึ้นชื่อว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของใจด้วย หรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือร่างกายก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของเรานั่นเองเมื่อพูดถึงทรัพย์แล้วอาตมาภาพก็อยากจะถามทุกท่านว่าอะไรบ้างที่ทุกท่านคิดว่าเป็นทรัพย์ของตนเองเงินบ้านที่ดินรถโทรศัพท์สร้อยทองแหวนเพชรเป็นต้นใช่ไหมที่ว่าเป็นทรัพย์ของท่านทั้งหลายอาตมาภาพก็ไม่ขอค้านว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นของมีค่า แต่อาตมาก็อยากจะให้ทุกท่านได้จัดลำดับความมีค่าของทรัพย์ทั้งหลายของทุกท่านดูว่าสิ่งใดมีค่ามากและน้อยคำตอบของคนส่วนใหญ่นั้นอาตมาคิดว่าคงจะให้เงินเป็นลำดับต้นๆหรือไม่ก็ลาดับแรกแน่นอนเพราะเงินสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารบ้านรถสร้อยทองแหวนเพชรเหล่านี้เป็นต้นแล้วในทางพระพุทธศาสนาละ่ะ พระพุทธองค์ทรงลำดับเกี่ยวกับสิ่งมีค่าเอาไว้อย่างไรบ้างคำว่าทรัพย์นั้นเป็นคำสันสกฤตถ้าเป็นบาลีก็จะตรงกับคำว่าธนะจากพระบาลีที่ได้ยกไว้เป็นนิเคปบทในบาทแรกของพระคาถานั้น <c oughs> ก็ได้กล่าวถึงทรัพ์หรือธนะไว้ว่าจะเจทนังอังกวรสะเฮตุแปลความว่านรชนพึงสะทรัพเพราะเหตุ แห่งอวัยวะอันประเสริฐนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงให้ค่าของอวัยวะหรือร่างกายสาคัญกว่ารัพท์ส่วนในสมบาทพระคาถาที่เหลือนั้นทรงได้แสดงลำดับของสิ่งมีค่าที่ยิ่งขึ้นไปอีกว่าอังกังจะเช จ, จีวิตังรักขมาโนอังกังธนังชีวิตันจาปิสปังจะเจนโรธรรมมนุสรันโต แปลความว่าเมื่อจะรักษาชีวิตไว้พึงสละอวัยวะเมื่อระลึกถึงธรรมพึงสละทั้งอวัยวะทั้งทรัพย์และแม้ชีวิตทั้งหมดจากพระคาถาที่ได้ยกมาทั้งหมดทรงเรียงลำดับความมีค่าจากน้อยไปมากดังนี้ทรัพย์อวัยวะหรือร่างกายชีวิตและธรรม มีคำถามหนึ่งที่อาตมาภาพอยากจะให้ทุกท่านได้ตอบกับตัวเองดูซึ่งก็คือเราได้เรียงลําดับตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้หรือไม่แล้วเหตุผลอะไรที่ทําให้ทรงเรียงลําดับแบบนั้นฉะนั้นเราจะมาลองกันดูว่าความมีค่าของสี่อย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างอันหนึ่งคำว่าชีวิตเหล่านักเรียนบาลีก็จะแปลกันว่าเป็นอยู่ ซึ่งคำว่าเป็นก็ตรงกันข้ามกับคำว่าตายหมายความว่าเมื่อยังเป็นก็คือยังอยู่คือยังไม่ไปหมายถึงจิตยังถือครองร่างกายยังไม่ไปจากร่างกายนั่นเองแต่เมื่อจิตไปจากร่างกายแล้วก็ถือว่าไม่อยู่คือไม่เป็นหรือหมายถึงตายเมื่อคนเราตายแล้วสิ่งต่างๆที่ได้ทำไว้ก็เป็นอันจบลงสิ้นสุดลง หรือพูดอีกอย่างหนึ่ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ทำไว้หรือทรัพย์ที่เราสะสมไว้มันก็ไปสุดลงตรงที่ตายฉะนั้นที่สุดของชีวิตคือไปสุดตรงที่ความตายเวลาที่คนเราต้องการแสดงความมีค่ามากๆก็มักจะใช้สำนวนที่เกี่ยวกับเป็นๆตายๆคือหมายถึงเอาชีวิตมาอ้างกันเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นแม่รักลูกเท่าชีวิต นี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าลูกมีความสำคัญกับแม่เท่ากับชีวิตของแม่หรือสำนวนที่ว่ารักเธอตราบเท่าชีวิตจะหาไม่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความยาวนานความมั่นคงของความรักที่มีให้ว่ามากและนานจนไม่สามารถมีรักให้คนอื่นได้อีกเพราะได้เอาชีวิตตนเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องประกันทีเดียวสิ่งใดก็ตามถ้าลองได้เอาชีวิตมาเปรียบแล้ว นหมายถึงว่าสิ่งนั้นเป็นที่สุดจริงๆแต่ในบางสำนวนก็มักจะเปรียบเทียบโดยใช้อวัยวะเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องประกันอย่างเช่นแก้วตาของพี่คนนี้เป็นมือขวาของผมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการเอาอวัยวะเป็นเครื่องยืนยันกับเอาชีวิตเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็จะเห็นได้ว่าการเอาชีวิตเป็นเครื่องยืนยันดูจะมีน้ำหนักมากกว่าเนื่องจากว่า คนเราให้ค่าให้ความสำคัญกับชีวิตมากกว่าอวัยวะนั่นเองทั้งนี้นี่ก็สรุปโดยใช้มุมมองของการใช้สํานวนที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วถ้าเราใช้ความหมายของคําว่าค่าที่เราได้อธิบายไว้เมื่อตอนต้นละ่ะจะเป็นอย่างไรได้กล่าวไว้แต่ตอนต้นแล้วว่าคนเรานั้นประกอบไปด้วยใกล้กับจิตและหลักใหญ่ของความเป็นคนนั้นก็คือจิตที่มาถือครองร่างกาย เมื่อจิตมาถือครองร่างกายก็ขึ้นชื่อได้ว่ามีชีวิตถ้าจิตไม่ถือครองร่างกายแล้วร่างกายก็เป็นสิ่งไม่มีประโยชน์กับจิตอีกต่อไปนี่ก็พอจะสรุปได้ว่าชีวิตจึงมีค่ามากกว่าร่างกายหรืออวัยวะและเพราะมีชีวิตและอวัยวะเราจึงแสวงหาสิ่งต่างๆมีอาหารเสื้อผ้าบ้านรถสร้อยทองแหวนเพชร เป็นต้นเหล่านี้ได้พูดมาถึงตอนนี้ความชัดเจนของลำดับความสำคัญของชีวิตร่างกายและทรัพย์อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ขอยกคำพูดประโยคนี้คือทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายถ้าเรายังไม่ตายก็หาเอาใหม่ได้ทุกท่านคงจะเห็นด้วยกับความหมายของประโยคนี้และประโยคนี้ก็ได้เรียงลาดับความสาคัญให้เราไว้เรียบร้อยแล้วคือ ทรัพย์มีค่าน้อยกว่ากายและกายมีค่าน้อยกว่าชีวิตฉะนั้นการที่เราจะสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้มาหรือดำรงไว้ซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นสละสิ่งมีค่าน้อยเพื่อสิ่งมีค่ามากจึงควรและการที่บุคคลใดสละผิดลำดับคือสละสิ่งมีค่ามากเพื่อสิ่งมีค่าน้อยแล้วซ้าบุคคลนั้นก็เป็นอันถูกติเตียนจากวิญญชนทั้งหลาย ยกตัวอย่างเช่นหมอสั่งห้ามดื่มเหล้าเพราะอาวัยวะคือตับเริ่มผิดปกติแต่เราก็ยังดื่มเหล้าอยู่อย่างนี้ได้ชื่อว่าเราสละตับเพื่อเหล้าเมื่อใครรู้ว่าเราทำอย่างนี้แล้วเขาก็จะติดเตียนเราได้ว่าเห็นเหล้าดีกว่าสุขภาพร่างกายแต่ในทํานองกลับกันเราเลิกดื่มเหล้าได้เป็นอันชื่อว่าเราได้สละเหล้าเพื่อร่างกาย ใครเห็นเราทำได้อย่างนี้เขาก็มีแต่จะยกย่องเราว่าเราได้ทำในสิ่งที่ควรแล้วเพราะเราได้สละสิ่งมีค่าน้อยเพื่อสิ่งมีค่ามากที่พูดมายืดยาวนี้ก็พูดถึงแค่ทรัพย์อวัยวะหรือร่างกายและชีวิตยังไม่ได้พูดถึงธรรมะเลยซึ่งธรรมะนี้พระพุทธองค์ทรงจัดลำดับว่าสําคัญมากมากกว่าทรัพย์อวัยวะและชีวิตทีเดียว ซึ่งตัวอย่างก็พอมีให้เห็นอยู่ทั่วไปเช่นการคอร์รัปชันหรือการรับสินบนนี่ก็ถือว่าเป็นการสละธรรมคือความซื่อสัตย์เพื่อทรัพย์อย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรถูกติเตียนนักเรียนเมื่อจะถูกทําโทษก็โกหกหรือโยนความผิดให้เพื่อนเพื่อไม่ต้องโดนลงโทษนี่ก็ถือว่าเป็นการสละธรรมคือศีลเพื่อร่างกายการกระทําอย่างนี้ เป็นที่ติดเตียนจากวิญยาชนทั้งหลายในสมัยการศึกสงครามบุคคลที่ทรยศประเทศตนเองทำตนเป็นไส้ศึกให้กับศัตรูเพียงเพื่อรักษาชีวิตของตนให้รอดนี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการสละธรรมคือความสัตว์เพื่อชีวิตซึ่งบุคคลประเภทนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็เป็นที่รังเกียจและน่าติดเตียนที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ ก็พอให้เห็นว่าวิญญูชนทั้งหลายยกย่องธรรมะให้คุณค่ากับธรรมะมากกว่าทรัพย์ร่างกายและชีวิตแต่นี่ก็ยังเป็นเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นถ้าเรามองให้ลึกลงไปเราก็จะยิ่งเห็นคุณค่าของธรรมะมากขึ้นไปอีกได้พูดไว้เมื่อตอนต้นไว้ว่าศา ส, สนาพุทธมีกติความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องของภพชาติเมื่อจิตสละร่างกายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าตายนั่นเอง จิตก็จะไปสู่กำเนิดใหม่ถือครองอัตภาพอันใหม่เมื่อตายอีกก็ไปสู่กำเนิดอันใหม่อีกเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้จะไปเกิดในสุคติหรือทุคตินั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของใจเป็นสำคัญดังพุทธวจนะที่ตรัสไว้ว่าจิตเตสังกะิเถทุคติปาติกังขาแปลความว่าก่อนตายจิตเศร้าหมองไปทุคติ จิตเตสังกะริเถสุขติปาติกังขาก่อนตายจิตไม่เศร้าหมองไปสุขติเมื่อดูจากพุทธพจน์นี้บางคนก็อาจจะมีความคิดว่าหลักใหญ่ใจความคือขอแค่ให้ก่อนตายเราทำจิตไม่ให้เศร้าหมองได้ก็เป็นพอแต่ตอนนี้เรายังแข็งแรงดีอยู่ความตายยังไม่มาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้ เราชอบอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นต่อแต่เมื่อความตายใกล้เข้ามาค่อยคิดหาทางทำให้จิตของเราไม่เศร้าหมองซึ่งการที่บุคคลใดมีความเห็นอย่างนี้แล้วขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตประมาทอยู่มากด้วยว่าเมื่อเราทำสิ่งใดมากๆใจของเราก็จะคุ้นชินกับสิ่งนั้นๆถ้าใจเราคุ้นชินกับการทำบาปอากุศลใจเราก็คุ้นชิน ความเศร้าหมองอยู่เป็นประจำเมื่อคุ้นชินกับบาปอากุศลแล้วการที่จะเปลี่ยนให้ใจมาละการทำบาปและบำเพ็ญบุญก็เป็นเรื่องยากยกตัวอย่างคนที่ชอบบ่นว่าผู้อื่นการบ่นนั้นอาจจะทำให้ผู้บ่นรู้สึกว่าได้ระบายความทุกข์ความไม่พอใจออกไปแต่การบ่นก็เป็นการสร้างอุปนิสัยคือการขัดเคืองง่ายให้กับใจเมื่อเราบ่นอยู่เรื่อยๆบ่อยๆ ไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่ถูกใจเราแม่นิดหน่อยความขุ่นเคืองขัดเคืองก็จะเกิดขึ้น อ, อย่างรวดเร็วที่ใจของเราซึ่งความขัดเคืองใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่แช่มชื่นเบิกบานฉะนั้นถ้าเราเป็นคนขี้บน่นสัสดส่วนเวลาของความเศร้าหมองที่ครอบคลุมใจเรานั้นก็มีมากเกิดขึ้นได้เร็วและอยู่นาน ซึ่งก็อนุมานได้ถึงเมื่อเวลาใกล้ตายว่าจิตของเราก็จะเศร้าหมองแทนที่จะผ่องใสมีทุกติเป็นที่หมายในทํานองกลับกันถ้าเราเป็นคนมีเมตตาเอื้อเฟื้อกับคนอื่นมีอะไรก็ให้อภัยกันได้จิตของเราก็จะคุ้นชินกับกุศลเป็นจิตที่แช่มชื่นเบิกบานผ่องใสเมื่อเวลามรณะภัยมาเยือนก็เป็นอันจะพอมั่นใจได้ว่า จิตก่อนตายของเราจะผ่องใสไม่เศร้าหมองเป็นเหตุให้มีสุขติเป็นที่ไปเมื่อมองถึงเรื่องคติคือที่ไปหรือพูดอีกในหนึ่งคือพบหน้าชาติหน้าแล้วก็ทำให้อัตมาคิดถึงว่าคนเราสมัยนี้คำนึงถึงแค่ประโยชน์เฉพาะหน้ากันซะส่วนใหญ่และลืมที่จะนำเรื่องคติคือที่ไปในเบื้องหน้านำมาคำนวณว่า สิ่งนี้ควรทำหรือไม่ควรทำและลืมหลักสาคัญของคนไปนั่นก็คือใจถ้าทำไปแล้วจิตของเราเป็นอกุศลจิตเราก็เศ้าหมองซึ่งก็สุมเสียงต่อการมีทุกขติเป็นที่หมายคนเรานั้นเกิดมาก็มาคนเดียวเวลามีทุกข์ก็ไม่มีใครแบ่งความทุกข์ของเราไปได้เวลาตายก็ไม่มีใครตายกับเราจะไปสุขติหรือทุกขตินั้น ไม่มีใครไปแทนเราได้นอกจากจิตของเราเองเท่านั้นฉะนั้นก็จึงอยากให้สาธุชนทุกท่านไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรฟังอะไรดูอะไรคิดอะไรก็ให้คำนึงถึงสภาพของใจตนเองอยู่เสมอว่าเมื่อเราทำสิ่งนี้พูดสิ่งนี้ฟังสิ่งนี้ดูสิ่งนี้หรือคิดเรื่องนี้แล้วจิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลถึงแม้ว่าบางครั้ง เรากําลังทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่วิธีการที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องคอยสารวจดูด้วยว่าเราทำไปด้วยอำนาจของใจประเภทไหนประกอบไปด้วยโทสะไหมโลภะไหมราคะหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการให้ลูกขยันเรียนขยันอ่านหนังสือพอเห็นลูกเล่นเกมหรืออ่านหนังสือการ์รตูนก็บ่นลูกแล้วก็ ล่ให้ไปอ่านหนังสือนี่ก็เป็นตัวอย่างมีเจตนาทำในสิ่งดีแต่ประกอบไปด้วยโทสะซึ่งถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นการทำไม่ดีอยู่เพราะทำไปด้วยใจที่ไม่ดีทำไปด้วยสภาพของจิตที่เศร้าหมองลูกฟังที่เราบ่นเราว่าเราก็เป็นเหตุทำให้จิตของเขาขุ่นมัวเศร้าหมองไปอีกด้วยหรืออย่างเวลาเราอยู่กับเพื่อนที่ชอบพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่น จะเป็นเรื่องจริงก็ตามหรือเรื่องไม่จริงก็ตามพอเราฟังอยู่มากๆฟังอยู่บ่อยๆโดยที่ขาดการสังเกตใจตัวเองแล้วใจเราก็พลอยคล้อยตามไปกับเขาด้วยมีความคุ้นชินมีความเสพคุ้นกับอากุส ล, ลจิตจากจิตของคนพูดใจเราก็จะเป็นใจที่ตาหนิคนอื่นเป็นใจที่เป็นอกุศลเศร้าหมองขุนมัวถ้าตายไปด้วยจิตแบบนี้แล้ว อบายหรือทุคติคงเป็นเบื้องหน้าของเราแน่นอนทั้งนี้การฟังการดูการพูดการกระทําและการคิดล้วนมีผลสุดท้ายลงไปที่จิตของเราทําให้จิตของเราเป็นจิตอกุศลหรือจิตกุศลฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นสํารวจใจของเราให้ดีว่าการที่เรารับฟังอะไรก็ตามแล้วใจเราเป็นอกุศลหรือไม่ถ้าเป็นอกุศล ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะฟังสิ่งนั้นให้ได้บ่อยๆเรารับฟังอะไรแล้วจิตเราเป็นกุศลผ่องใสเราก็ฟังสิ่งนั้นบ่อยๆบางท่านก็อาจจะมีคำถามที่ว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่มีคนไม่ดีคนไม่ดีเป็นผู้นำแล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอย่างแรกและสำคัญเลยนั่นก็คือรักษาความดีของเราเอาไว้ให้ได้ อย่าปล่อยให้ความไม่ดีมากลืนความดีที่เรามีนั้นไปอยากให้คำนึงถึงความเป็นจริงที่ว่าชีวิตคนเราไม่ยาวเลยอย่างมากก็หนึ่งร้อยปีหรือเกินหนึ่งร้อยปีไปก็ไม่มากอีกทั้งความตายก็เป็นสิ่งไม่แน่นอนจะมาเยือนเราตอนไหนก็ไม่อาจทราบได้บางคนยังไม่ทันเข้าวัยชราแล้วตายก็มีไม่น้อยสำราย บางคนก็ตายตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กพระพุทธองค์ทรงเตือนพวกเราอยู่เสมอๆไม่ให้ประมาทดังพระบาลีที่ว่าอัจเจวกิจจมาตะปังโกจัญญามรนังสุเวแปลความว่าพึงเร่งทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งซึ่งถ้ามีคนแกล้กลงเราทําร้ายเราโกงเราแล้วใจเราทนกับความขัดเคืองใจความหดหงิด ความโกรธไม่ไหวแล้วเราก็แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องตามกฎกติกาก็ดีหรือซ้ำร้ายก็เป็นวิธีร้ายมาร้ายตอบก็ดีเราก็แก้ปัญหาบนพื้นฐานของใจที่เป็นอกุศลได้ผลคือรักษาทรัพย์สินของเราได้รักษาร่างกายไม่ให้โดนเบียดเบีนได้หรือไล่คนชั่วออกไปได้แต่สิ่งที่เราเสียไปคือความแช่มชื่นผ่องใสของจิต เสียกุศลในใจไปแล้วได้อกุศลมาแทนที่จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นถึงลาดับความมีค่าจากน้อยไปมากที่พระพุทธองค์ทรงเรียงลำดับไว้คือทรัพย์อวัยวะหรือร่างกายชีวิตธรรมและวิธีที่เราได้ใช้ไปนั้นเป็นการสละธรรมคือกุศลธรรมในใจไปเพื่อแลกกับทรัพย์ เป็นการสละสิ่งมีค่ามากเพื่อสิ่งมีค่าน้อยซึ่งเป็นการกระทำที่ประทั้งหลายไม่สันเสริญเพราะมีคุณน้อยมีโทษมากได้ประโยชน์แต่ในเฉพาะปัจจุบันแต่ทำลายประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าแล้วอะไรที่ทำให้เราเลือกที่จะสละของมีค่ามากอย่างธรรมะเพื่อแลกกับทรัพย์เงื่อนอันหนึ่งที่พอจะเห็นได้ก็คือความเห็นผิด โดยมากเรามักจะรู้สึกว่าเวลาใครทําเลวเราด่าเขามันก็ไม่ได้เป็นการผิดอะไรเพราะเราพูดในสิ่งที่มันจริงแต่ถ้ามองให้ถึงแก่นของคนแล้วการที่เราด่าคนไม่ดีเพื่อคนดีคิดเบียดเบียนคนไม่ดีเพื่อคนดีทำร้ายคนไม่ดีเพื่อคนดีนั้นแท้จริงเราก็เป็นคนดีไม่จริงเพราะเราทําในสิ่งไม่ดีแต่เมื่อทาไปแล้ว คนที่ได้ประโยชน์จากการกระทําของเราเขาก็ยกย่องว่าเราทําดีทําถูกแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ถูกต้องพูดว่าที่เขายกย่องเราก็เพราะเราทําถูกใจเขาเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นการถูกต้องตามธรรมคือความดีจริงๆและผลจากการทําไม่ดีมีการทําร้ายว่าร้ายเบียดเบียนก็เป็นเหตุนำพาให้เราไปสู่อบายภูมิโดยที่เราไปแต่เพียงผู้เดียว คนที่สนับสนุนยกย่องว่าเราทาถูกแล้วดีแล้วเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบเมื่อเราต้องไปเสวยทุกในอบายภูมิ4เมื่อไปสู่อบายภพแล้วระยะเวลาที่เราจะต้องไปอยู่เสวยกรรมในอบายภพนั้นยาวนานกว่าการเสวยอัตภาพของมนุษย์มากทีเดียวอย่างที่ได้ว่ามาแล้วอายุขยของการเป็นมนุษย์นั้นก็คือร้อยปีเป็นประมาณ ภูมิของนรกนั้นมีสัญชีวะนรกเป็นเบื้องต้นมีเอเวจีมหานรกเป็นที่สุดเพียงแค่นรกกลุ่มแรกคือสัญชีวนรกนั้นอายุไขก็มากถึง500ปีแล้วอีกทั้งวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกก็ยาวนานกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของมนุษย์มากมายนักฉะนั้นการที่เราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้เราอยู่ในความประมาทมีความเห็นผิด คิดว่าเราได้ทาในสิ่งที่ดีแต่แท้จริงแล้วเราประพฤติอกุศลทั้งนี้การเป็นคนดีได้จริงนั้นต้องดีมาจากข้างในคือใจข้างในไม่เป็นอกุศลเมื่อใจไม่เป็นอกุศลคิดพูดทำก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายเป็นไปเพื่อการไม่ก่อเวรสร้างเหตุแห่งการไม่ตกไปในอบา ท, ทั้งสมีพระพุทธดารัส พูดไว้ในลักษณะนี้อยู่ด้วยคืออัตตะทั้งประเทนะบหุนาปิณะห้าปเยอัตตะดัทธะมะพินยอยะสดัตถะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ตนให้เสื่อมด้วยประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากบุคคลรู้ยิ่งแล้วซึ่งประโยชน์ของตนพึงเป็นผู้ขวนขวายซึ่งประโยชน์อันเป็นของตนดังนี้ ฟังดูแล้วหลายท่านอาจจะรู้สึกเหมือนว่าท่านสอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงหมู่คณะแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ผู้อื่นแต่การที่เราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วตนเองเสียประโยชน์มีการประพฤติอกุศลเป็นต้นท่านก็ได้สอนให้ลดระดับลงมาให้ประโยชน์ของผู้อื่นก็ยังคงมีอยู่ แม้จะไม่มากเท่าเก่าแต่ประโยชน์ของเราก็ไม่ได้เสียไปซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับพระดํารัสที่เกี่ยวกับสิ่งมีค่าคือเมื่อระลึกถึงธรรมพึงสละทั้งอวัยวะทั้งทรัพย์และแม้ชีวิตทั้งหมดและการที่เราจะรักษาประโยชน์ตนคือการรักษากุศลธรรมในใจของเราไว้ให้ได้อย่างดีนั้นสติเป็นธรรมจําเป็นที่เราจะใช้เพื่อรักษากุศลธรรม เพราะกุศลก็ดีอกุศลก็ดีล้วนเป็นอาการของจิตเมื่อเรามีสติระลึกรู้ดูอยู่ที่ใจเราได้บ่อยๆรู้เท่าทันใจเราได้บ่อยๆเราจึงสามารถรู้ได้ว่าขณะนี้ใจเรามีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโลภะเกิดขึ้นก็รู้ได้ไม่มีโลภะในจิตก็รู้เท่าได้มีราคะหรือไม่มีราคะก็ทราบได้เมื่อรู้เท่าทันใจได้ถังนี้ ก็พอที่จะรักษาใจของเราไม่ให้ไหลไปตามอากุศลที่เกิดขึ้นบรละอกุศลและเจริญกุศลจนใจเป็นใจที่คุ้นชินกับกุศลเป็นใจที่มีสภาพไม่เศร้าหมองหรือเป็นใจที่ผ่องใสเบิกบานนี่จึงเป็นเครื่องประกาศได้นนว่าคติหรือที่ไปของเราในพบหน้านั้นจะเป็นสุขติพบสรุปความว่าวันนี้ได้พูดทําความเข้าใจเรื่องสิ่งมีค่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกัน โดยได้นำเสนอลำดับที่พระพุทธองค์ได้เรียงไว้ให้ว่าสิ่งใดมีค่าน้อยสิ่งใดมีค่ามากนั่นก็คือทรัพย์อวัยวะชีวิตและธรรมซึ่งถ้ามองกันแค่ในปัจจุบันบางท่านอาจจะเป็นว่าชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจึงสามารถสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะและสามารถที่จะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตได้ แต่คติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพบชาติด้วยเมื่อคำนึงถึงชีวิตหลังจากหมดอัตภาพปัจจุบันแล้วก็จะได้เห็นถึงความสาคัญของบุญและบาปเพราะบุญและบาปเป็นเหตุนาให้เมื่อสิ้นจากอัตภาพนี้ไปแล้วจะไปสู่พบที่เป็นสุคติคือมีสุขมากมีทุกข์น้อยหรือไปสู่ทุคติคือมีทุกข์มากมีสุขน้อย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นให้ทำความดีสั่งสมบุญทรัพย์อันใดที่ว่ามีค่าก็มีค่าไม่เท่ากับธรรมเพราะเมื่อประพฤติธปฏิบัติธรรมก็เป็นอันเราป้องกันตนจากการตกไปสู่อาบายเป็นการนำตนไปสู่สุขติหรือแม้แต่ที่สุดคือสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งได้ฉะนั้นท่านจึงเปรียบธรรมเป็นทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ทั้งหลาย และเมื่อบุคคลใดระลึกถึงธรรมก็พึงที่จะสละทั้งอวัยวะทั้งทรัพย์และแม้ชีวิตทั้งหมดสมดังพระบาลีที่ได้ยกไว้เป็นนิเขปบทแต่ตอนต้นแลที่ได้อธิบายมานี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมมาเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง